เอ่อท่าน 11 มิถุนายน 2532 ก็จะคุยกับบรรดา ท่านที่มีกําลังช่วยกันญี่ปุ่นคือเรียกว่าท่าอากาศยานของ <c oughs> 6 ตอนนี้ก็ต้องนั่งกันตั้งแต่ 6:55 น. ของ นั่งไปถึง 11:00 น. ของญี่ปุ่นคือต้องนั่งไปถึง 11:00 จะเป็นเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ําคืน แต่ก็ดีนี้สร้างความไม่เหงาให้เกิดขึ้นขณะที่นั่งอยู่ที่ธาตุแต่ก็ไปเจอๆบอกว่าข้าง ถ้าเข้าไปอาจจะกลับมาต่อเครื่องบินไม่ทันเท่า <c oughs> คนนี้อยู่ไม่ถึงก็เสียอายุ 55 ก็ลานอกจากนั้นก็มีพรนดเคยคืนคงดีบ้างอัญเชิญบ้างอัญชันบ้างใครต่อ กรองความของญี่ปุ่นเราซื้อกันไม่ได้ไม่ ว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ร่วม ต่อมาญี่ปุ่นก็ประกาศสงครามเรื่องที่เป็น พอเจ้าชายโกโนเยเพล้นตำแหน่งจากนายก ประเทศไทยทำสงครามกับอินโดจีนคือทำสงครามกับฝรั่งเศสเวลานั้นฝรั่งเศสแพ้เยอรมันแล้ว ที่โรราบกับเยรามันเยรามันยึดเข้ามาถึงเอ่อปารีสตามจะซื้อต้องขอเค้าอ่านใครก็มีก็ขอเค้าหลายๆ แต่วิทยุฟังเกือบทุกวันแต่ก็วาง นอกจาก 2 ประมาณ พ.ศ. 2484 ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบ 2485 ก็อาจจะเป็น 2485 ก็ได้เป็น จำได้ตอนหนึ่งว่าตอนที่ญี่ปุ่นยังไม่ขอผ่านประเทศไทยเวลานั้นไทยเรารบกับอินโดจีน 4 จังหวัดมีมีพัทธบงมีพนม แต่จอมพลแปลกที่ทนไทยคนจะคิดว่าฝรั่งเศส จะหาเรื่องขออย่างนั้นน่ะมั้งนี่เป็นการคิดนะที่ตัวเองไม่ยอมรับ อาจจะได้บ้างเช่นปืนเล็กยาวหรือเป็นคนเบาถ้าเป็นคนเบามันเคยเห็น คส. ระดับแล้วก็ทําได้ครั้งแสงนอก แต่ว่าตัวปืนเราต้องซื้อเค้าอาจจะรู้กําลังเพราะเราไม่มีอาวุธเท่าไหร่มีอะไรบ้างเค้าอาจจะมีเหนือกว่า ก็ยั่วย้าวฟังของหน้าแอ่นหลังให้บ้างอะไรบ้างเป็นต้นพี่ไทยก็โกรธแปลว่า รถเก่ามากแต่คนนั่งทั้งหมดเป็นคนแก่ทั้งหมดเสียงความว่าคนไทยเก่งแก่ก็ยังเก่งขณะที่ทําการรบกินโดยจีนเข้าใจว่าในหนังสือประวัติศาสตร์คนจะเขียนไว้แล้วเวลานั้นทหารไทยเราแสดงความ <c oughs> นักบิ๋งก็เก่งทหารบกก็เก่งทหารเรือก็เก่งตำรวจก็เก่งคนไทย <c oughs> แกเก่งแต่ปากเปล่าก็ไม่ทราบว่าเวลานั้นเราเก่งกันทั้งประเทศก็มาพูดว่าความเดือดร้อนภายหลังไม่ค่อย <c oughs> คือการเสียชีวิตน้อยจริงๆการรบเวลานั้นเรารบกี่ แต่ความเป็นมาจะเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเวลานั้นยังไม่มีลูกระเบิดยัง ยกพลขึ้นบกที่ฮานอยเป็นเมืองหลวงของยโหนยโหนเวลานั้นยังเป็นของฝรั่งเศสอยู่ยโหนลาวเขมรเป็นของฝรั่งเศสหมดทั้ง <c oughs> เวลาขึ้นแบบง่ายๆเขาไม่มีการรู้ตัวกันมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นต่างคนต่างอยู่อิสระยงคิดว่าญี่ปุ่นเป็นเพื่อนต่อไปไม่ช้าไม่นานนักล้วนคนจะขัดคอเพราะ กล่าวรวมความว่ายืนเหนือทั้งหมดเป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอำนาจครอบครองยืนเหนือทั้งหมดแต่ความจริงถ้าไม่ว่า ถึงเวลา 4:00 น. ขอให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดการรบใครยึดพื้นที่ถิ่นใดได้ที่ตรงนั้นถือว่าเป็นของคนนั้นไม่ต้องไปนั่งเถียงกันว่าที่ของฉันตรงนี้ที่ของ กรอง 4:00 น. สมมุติ 4:00 น. มม า, น, น2 ฝ่ายเวลา 3 คนคือว่าพล <c oughs> เพลิดชิงสงครามจําได้ใช่ไม่ใช่ก็ เอาเอา 52 คำไปก่อนก็แล้วกันนะไม่ใช่ๆ เออการจริงๆไม่ทราบลงความมาเวลานั้นจอมพลแปลกทั้งประกาศใหญ่เป็นเพื่อนที่รักแต่ว่าในหนังสือบางตอนของสำเนียบนายกได้อ่านพบว่าทหารรายงานบอก <c oughs> ท่านจอมพลแปลกและจอมพลอ่าเวลานี้ไม่มีจอมพลพลตีหลวงภิบูรณ์สงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย <c oughs> ตั้งปัญญาคิดว่ายังไงยัง 10 เดือน 2485 เป็นวันฉลองรัฐธรรมนูญ ขึ้นประเทศไทยด้วยขึ้นฟิลิปปินส์ด้วยขึ้นอินโดนีเซียด้วย <c oughs> เยาวชนทหารคําว่ายุโตทนทหารนี่หมายความว่าอนัคโครีนที่ฝึกวิชาทหารเวลานี้ไม่มีแล้วเวลานี้เป็นอะไรเป็นรักษาดินแดนเมื่อสวยๆฝึกวิชาทหารเด็กกําลังรุ่นหนุ่มกําลังสู้สู้แต่อาช่วยทหารอย่างเด็ดเดี่ยวเก่งมาก <c oughs> จะเล่าเรื่องตอนหนึ่งก่อนตอนหัวค่ําทูตญี่ปุ่น และโดดไม่พรกก็ต่อนรอพรกник bedeutetเขาไป secretary the displaying เรียกธรรมมา你มาธรรมมา lucky to be bold brokerage group formed this ควรอรวม hoş dumpingก็บอกว่า 113ปี наз particular เจ้ามาจริ Solomon että 149ก็บอกว่า j arriai ถ้าลายกphon blei h 게 pho bti ตัว ceteenth ยากเขี่ยงโудก than a fox conta Kung Crisis Thirty through Mu geidessy... Aluminum www.war existentage group Qualkanitin.q D Global... ing to know more everywhere... wooljet Friendskent n Ka betwh conocer Кπ. qu don't we be소리 surface in a place... ngolive เนื่องทั้งท่านเลขานายยังเลขาต้องคณะดนตรีเข้าไปประชุมกันเวลาใกล้ 2:00 น. น, น, น, นเข้ามาขอสรุปหนังสือเล่มนั้นที่ยาวมากก็เขียนยาวมากก็บอกว่าเดี๋ยวสิผมบอกว่า เป็นอันว่าอนุญาตหรือว่าไม่ทุกจุดของประเทศไทยพร้อมกันหมดการขึ้น ว่าเวลา 4:00 ได น. ได้รับอนุมัติจากท่าน เลยคิดในใจว่าว่าท่านสังสีบัตรนั้นก็บอกว่าท่านนายก <c oughs> แต่เวลาก่อนหน้านั้นหลังจากครบอินโดจีนเสร็จทางกองโฆษณาของของรัฐบาลไม่ทราบว่าใครแต่เขาโฆษณาว่าต่อนี้ไป เวลานั้นก็คิดอย่างนั้นประชาชนทั้งหลายก็คิดอย่างนั้นอาตมาว่าเราต้องสู้เป็นคนสุดท้ายตี <c oughs> เราให้ญี่ปุ่นผ่านเราให้ญี่ปุ่นมาตั้งอยู่ภายในประเทศไม้บ้างมีผักกับแค่ประทู ญี่ปุ่นก็ให้ประทูตระบัดเวลานั้น 5 สตางค์ได้ค่าประทูเที่ยวชามได้ 5 สตางค์หรือบางจุดก็ 2 2 ชาม 5 สตางค์ได้ค่าประทูตระบัดนั่นเองชอบใช้ บินธบัตมาได้ก็ไม่พยายามกลิ้งกลับกลิ้งกลับที่เป็นแกงบ้างเป็นต้มบ้างเป็นผัดบ้างเล็กๆน้อยๆที่โยมให้มากับข้าวซะส่วนใดที่เป็นปลาทูปลาชิ้นหมูชิ้นเรียกเป็นกล้วยเป็นหอมกล้วยกล้วยนวะได้นําไปสงเคราะห์ญี่ปุ่นหมดญี่ปุ่น เออว่าเป็นว่าเล่าความจริง 2 เวลาอาบน้ําทหารญี่ปุ่นไม่ต้องใช้ กล่าวความว่าทหารญี่ปุ่นกับทหารไทยมีลีลาต่างกันนี่เรื่อง มาเป็นแถวๆกําลังพลทางหรือประกาศก็ มันต้องใช้ถ่านกระบะใหญ่ๆถ้าอยู่ใกล้ๆในกรุงเทพฯใช้ไฟฟ้าก็ดีถ้าในกรุงเทพฯก็ถึกก็ใช้ถ่านกันเยอะกระบะใหญ่ๆกันเยอะก็ไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ฟังหนังสือพิมพ์ก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลเราอนุญาตให้มันอนุญาตต่างคนต่างตะลึงตกใจสำนักการขะเลกกันบางจุดปรากฏว่าขะเลกกันเหลอลืมทำงาน แต่จะเป็นเรื่อง 32 แล้ว 10 รุ่น 10 รุ่นเวลาปล่อยกลับ เมื่อหลังจากญี่ปุ่นเข้าผ่านประเทศไทย เป็นการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ในเมื่อญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยแล้วกันในเมื่อญี่ปุ่นเข้าประเทศ แต่เครื่องบินญี่ปุ่นไม่ไปยังเครื่องบินไทยอย่างเครื่องบินไทยไปโจมตีคลาสสิกบางทีก็ไปเครื่องเดียวบ้าง และลอก 1 เป็น 10 เครื่อง ต่างคนต่างก็ชื่นชม ภาคีคือ 1 เยอรมัน 2 อิตาลี 3 ญี่ปุ่น 4 ประเทศไทยแต่ฝ่ายนั้นก็ แต่ว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้บรรดาธรรมพุทธบริษัทมันลําทม ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสวัสดี